เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากหลวงพี่ท่านหนึ่งนะคะตอนที่ได้รับเรื่องนี้ผ่านเข้ามาทางอินบ็อกของเพจก็ต้องบอกว่าตกใจอยู่ นิดหนึ่งเพราะว่าท่านได้ใชรรูปโปรไฟล์เป็นรูปของตัวท่านเองที่กําลังห่มจีวรยืนอยู่ในวัดโดยหลวงพี่ท่านนี้บอกว่าได้อ่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าทางเพจแล้วก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์บ้างนะคะโดยหลวงพี่นะคะได้เล่าไว้ว่าเรื่องนี้อาตามาเจอกับตัวเลยโยมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้สดสดร้อนๆ้อนคือว่าอาตามาเพิ่งจะบวชเป็นพระใหม่ที่วัดแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่ต้องขอย้อนเล่าไปถึงเมื่อ2ปีก่อนที่วัด มีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งท่านมรณภาพคากุติแต่ไม่มีใครทราบเลยเป็นเวลาหวันจนวันที่7มีพระรูปหนึ่งเปิดประตูเข้าไปเจอสภาพศพนี่คือนอนคว่ำน้ำเหลืองไหลยเยิ้มจนกัดพื้นไม้ด่างเป็นรูปคนเลยทีเดียวตอนนั้นกุฏินี้ถูกปิดไว้จนสักพักก็มีพระมาบวชใหม่ก็เลยต้องเปิดกุฏินี้ให้นอน อาตมาฟังเรื่องนี้จากหลวงพี่ที่อยู่กุฏิอรอบๆด้วยเพราะว่าอาตมาเป็นคนขี้สงสยัยอยากรู้เลยถามเยอะทีนี้กลับมาที่อาตมาบ้างวันแรกที่เข้ามาที่กุฏินี้อาตมาอยู่เพียงลำพังรูปเดียวก็มีความรู้สึกแปลกๆนะแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรพอตกกลางคืนเท่านั้นแหละตอนนอนอยู่ได้ยินเสียงฝีเท้าคนลากเท้าไปมาทั่วห้องเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆตัวตลอดเวลา จนต้องลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่ามีหลวงตารูปหนึ่งชะโงกหน้ามหาอัตมาหน้าแทบจะชิดหน้าเลยแล้วถามอัตมาว่าเอ่งมาจากไหนมานอนกุฏิข้าได้อย่างไรอัตมาก็ตอบไปว่าเป็นพระใหม่ขอรับมาบวชแค่หนึ่งเดือนทางวัดจัดที่นอนให้ที่นี่หลวงตาก็เงียบแล้วก็ค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาอัตมาเลยตอนนั้นนี่ชัดเจนเลยว่าอัตมาโดนเข้าแล้ว หลังจากนั้นหน้าต่างเดี๋ยวก็เปิดปิดได้เองอัตมาก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์แต่หูก็ได้ยินหลวงตาสวดมนต์ซ้อนอยู่เช่นกันคือไม่ว่าอัตมาจะสวดบทไหนหลวงตาก็สวดได้ไม่มีพลาดแล้วอัตมาจะทำอย่างไรดีละ่ะสวดมนต์ก็แล้วแต่ท่านก็เป็นผีพระไม่ว่าจะสวดยังไงท่านก็ยังอยู่กว่าจะผ่านคืนนั้นไปได้ก็แทบไม่ได้นอน วันต่อมาอาตมาคิดจะทำเรื่องย้ายก็เกรงใจเจ้าคณะในวัดเลยต้องกลั้นใจอยู่ต่อไปและในทุกๆวันหลวงตาแกก็จะมาตลอดเช้าบ้างกลางวันบ้างแต่จะมาในรูปของเสียงแต่กลางคืนหลวงตาจะแสดงให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างคนเลยทีเดียวบางครั้งถึงกับไม่เห็นศีรระท่านก็มีปัจจุบันอาตมาบวชได้15วันแล้วและในทุกวันนี้อาตมาก็ยังคงเจอหลวงตาเช่นเคย ผีอื่นสวดมนต์ยังหายแต่ผีพระสวดเก่งกว่าเราอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมาต่อกันที่เรื่องที่สองนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์เป็นประสบการณ์ตรงสมัยที่คุณพงษ์นั้นบวชเรียนเป็นพระและก็ได้ติดตามพระอาจารย์ออกเดินทุดงค่ะสมัยนั้นเป็นปีพศ2542เรียกว่าป่าไม้ยังมีอยู่เยอะมากนะคะไม่เหมือนกับสมัยนี้ คุณพง์ได้เดินทางตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมุ่งหน้าไปภาคอีสานเดินแบบไปกันเรื่อยๆค่อยๆไปค่ำไหนก็ปักกลดที่นั่นนะคะเดินทุดงเป็นเวลา2เดือนเห็นจะได้ค่ะจนกระทั่งไปถึงจังหวัดสุรินทร์เป็นเวลาค่าของวันหนึ่งแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านก็ได้เลือกทำเลปักกลดที่นั่นซึ่งที่นั่นก็เป็นวัดร้างในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ พอตกข้ามหลังจากที่พระภิกษุทั้งสองรูปทําวัดสวดมนต์กันเสร็จเรียบร้อยก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้านอีกสี่หคนเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกับพูดขึ้นนะคะว่านมัสการครับพระอาจารย์ทั้งสองดีเหลือเกินแถวนี้ไม่มีพระมาโปรดญาติโยมชาบ้านนานมากแล้วเนื่องจากสมัยนั้นทางภาคอีสานเนี่ยวัดร้างกันเยอะพระก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนสมัยนี้สักเท่าไหร่และผู้ใหญ่บ้านก็ถามต่อไปว่าพระอาจารย์นั้นมาปักกรดโปรดญาติโยม กี่วันพระอาจารย์ก็ตอบไปค่ะว่าถ้าสถานที่แล้วก็บรรยากาศสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็จะอยู่สักสองสามวันเนื่องจากเดินทุดงมานานมากแล้วก็อยากพักปฏิบัติสักทีผู้ใหญ่บ้านก็โมทนาสาธุแล้วก็พูดอีกนะคะว่าเดี๋ยวผมกลับไปจะให้ลูกบ้านไปเป่าประกาศบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่ามีพระมาปักกลดโปรดญาติโยมอยู่บริเวณนี้จะได้มาทําบุญตักบาตรกันว่าแล้วคนทั้งหมดก็ขอตัวกราบลากลับไป พระทั้งสองรูปก็ปฏิบัติกันต่อค่ะทั้งนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนก็เข้ากรดจำวัดกันเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาตีสีก็จะต้องตื่นขึ้นมาทําวัดสวดมนต์คืนแรกนั้นผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงตีสีก็ตื่นขึ้นมาทําวัดสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติกันจนเกือบ6กโมงเช้าพระภิกษุทั้งสองรูปก็เตรียมตัวจะออกบินทบาทแต่ว่าพระอาจารย์นั้นบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปบินทบาทหรอก นั่งรออีกสักพักชาวบ้านก็จะมาทําบุญเองและท่านพระอาจารย์ก็พูดต่อไปว่าท่านจําเอาไว้นะเดี๋ยวตอนที่ชาวบ้านมาทําบุญใส่บาทกันท่านจงสังเกตเอาไว้ให้ดีจะมีหญิงวัยกลางคนอยู่สองคนที่จะแต่งตัวไม่เหมือนคนในพื้นที่นี้และทํากับข้าวที่จะนํามาถวายเหล่านั้นจะไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปบริเวณนี้พระพงษ์ซึ่งตอนนั้นก็บวชได้แค่เดือนเดียวนะคะได้แต่รับฟังสิ่งที่พระอาจารย์บอกและท่านก็ได้บอกต่อไปว่า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 เวลาผ่านล่วงไปถึง7จ็ดโมงเช้าก็เริ่มมีชาวบ้านนั้นทยอยกันหิ้วกระติบข้าวมาบ้างปิ่นโตมาบ้างนะคะเพื่อมาตักบาตสมัยนั้นทางภาคอีสานชาวบ้านส่วนใหญ่จะแต่งตัวกันแบบว่าคือเราสามารถมองออกได้ว่าชาวบ้านอีสานตามแถวนั้นจะแต่งตัวคล้ายกันหมดนะคะตามที่พระอาจารย์ได้ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจะมีหญิง2คนที่แต่งกายไม่เหมือนชาวบ้านพระองค์ก็สังเกตเห็นผู้หญิงอยู่2คนซึ่งแต่งกายดูดีมากอายุไม่น่าจะเกินสัก50บ เธอสองคนนี่ใสก่กางเกงผ้าคล้ายกับกางเกงสล็กแล้วก็เสื้อยืดคอกลมธรรมดาผิดกับผู้หญิงชาวบ้านอื่นๆทั่วไปที่แต่งตัวส่วนใหญ่นุ่งผ้าถุงกันแทบทุกคนดูแล้วเธอทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้พระพงก็ได้จะเก็บความคิดนี้เอาไว้ในใจเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยมาพร้อมกันแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มอาราธนาศีลเพื่อที่จะรับศีลกันต่อไป พอเสร็จจากการให้ศีลให้พรชาวบ้านกล่าวถวายพระตหารเสร็จก็ตอนถึงตอนเข้ามาประเคนข้าวค่ะแล้วก็กับข้าวที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตร ท, ทาบุญกันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ปลาตามท้องนาพอถึงคราวของผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านนั้นทั่วไปเข้ามาประเคนกับพระพงคนหนึ่งเข้าไปประเค้นกับพระอาจารย์อีกคนนึง พระพงศ์สังเกตอาหารที่เธอนํามาถวายก็เป็นข้าวสวยธรรมดาแล้วก็ยังมีควันขึ้นอยู่ความร้อนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่งหุงมาใหม่ๆส่วนกับข้าก็เป็นผัดกระเพราหมูต้มจืดวุ้นเส้นแล้วก็ไก่ทอดกระเทียมนะคะซึ่งอาหารนั้นไม่ได้เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นเลยแล้วหญิงคนหนึ่งประเคนให้กับพระอาจารย์พูดขึ้นว่าพระอาจารย์ไม่ใช่พระพื้นที่นี้คงจะฉันข้าวเหนียวกันไม่ค่อยชินดิฉันเลยทําอาหารภาคกลางมาถวายพระอาจารย์ท่านก็ได้ตอบกลับไปว่า อาหารที่โยมนํามาถวายนั้นอาจตมาเป็นพระเลือกฉันไม่ได้หรอกโยมใครประเคนหรือว่าใส่บาตรอะไรมาก็ต้องฉันไปตามนั้นว่าแล้วพระอาจารย์ก็เอ่ยกับชาวบ้านว่าอา้าวโยมทั้งหลายเสร็จแล้วก็รับพรกันก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอพระฉันเสร็จหลังจากให้พรแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ต่างลากลับไปพระอาจารย์ก็เริ่มที่จะฉันข้าวแต่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านอย่าได้ไปฉันกับข้าวที่ศีกาสองคนนั้นถวายมาเด็ดขาด พระผงก็ถามมาด้วยความสงสัยว่าทำไมครับพระอาจารย์ก็บอกว่าคอยดูไปละกันเราจะถ่ายกับข้าวของศีกาคนนั้นไว้ในบาทแล้วจะนำไปตั้งไว้ตรงลานหน้าที่ปักกลดกลางแจ้งพอตอนค่ำๆทำวัดเสร็จท่านก็จงไปดูที่บาทว่ามีอะไรพระพงก็รตอบรับคมพร้อมกับเก็บความสงสัยไว้ในใจนะคะแล้วก็นั่งลงฉันพัฒหารต่อไปพอตกตอนเย็นค่ะ ถึงเวลาทำวัดสวดมนต์เวลาประมาณสั ก, กเกือบจะทุ่มหนึ่งพระอาจารย์ แล้วก็พระพงษ์นะคะก็ได้เดินไปดูพร้อมกับไฟฉายสไปที่บาทพระพงษ์ก็ต้องตกใจเมื่อของในบาทที่พระอาจารย์เมื่อเช้าที่เทกับข้าวของผู้หญิงทั้งสองคนนั้นทิ้งไว้โดยตลอดทั้งวันไม่มีใครเดินเข้าไปใกล้ที่บาทเลยในเวลานี้เต็มไปด้วยเม็ดทรายแล้วก็ตะปูตัวเล็กๆเต็มไปหมดพระพงษ์นั้นถือกับอึง้งรีบเดินกลับไปหาพระอาจารย์ที่ตอนนี้กําลังนั่งสมาธิอยู่ในกรดพระพงษ์นั้นก็ยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามพระอาจารย์ก็กล่าวออกมาครับว่าเขาไม่ชอบเราเน่ยท่าน เขากลัวว่าเราจะมาทำร้ายหรือว่ามาทาลายการทำอาหากินของเขาเข้ากรดได้แล้วท่านคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามท่านห้ามออกมาข้างนอกกรดเด็ดขาดพระพงษ์ได้ฟังคาที่อาจารย์พูดก็รีบตอบรับพร้อมกับเดินเข้ากรดของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากกรดของพระอาจารย์ประมาณสัก20เมตรได้นะคะพอเข้าไปข้างในกรดแล้วพระพง์ก็เห็นพระอาจารย์เดินออกมาจากกรดของท่านถือด้ามกรดของท่านออกมาด้วย คือกรดมันจะเป็นแบบถอดด้ามได้นะคะที่ปลายด้ามของกรดนั้นจะหมุนเกลียวออกเพื่อที่าการที่จะพกพาได้สั้นลงด้ามกรดก็จะเป็นแบบนั้นพระอาจารย์ถือด้ามกรดออกมาแล้วเดินมาทางพระพงพร้อมกับยืนนิ่งๆพนมมือโดยมีด้ามกรดอยู่ในมือสักครู่เดียวเท่านั้นท่านก็ก้มลงแล้วก็ใช้ด้ามกรดจรดไปกับพื้นดินเรื่อยๆ เ, เป็นวงกลมรอบกรดนะคะพอท่านขีดเส้นจบ ก่อนที่จะเดินกลับไปที่กฎของท่านเองท่านกำชับว่าอย่าลืมนะคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาจากกดเด็ดขาด พระพงษ์นั่งสมาธิต่อไปอีกสักพักใหญ่ค่ะเวลานั้นจู่ๆลมพัดแรงมากลมนั้นแรงขึ้นมาดื้อๆทั้งๆที่ตอนค่ำนี้คือไม่มีลมเลยลมพัดอยู่สักพักใหญ่และพระพงษ์ก็ได้ยินเสียงเหมือนสุนัข ก, กําลังขู่ก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาออกจากสมาธิเพื่อหันมาดูข้างๆหันไปหันมาพระพงษ์ก็ต้องตกใจนะคะกลัวจนขนลุกเพราะว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าคือหมาดําตัวใหญ่พยายามจะเข้ามาในกรวดของพระพงษ์แต่พอมันเดินมาถึงรอยที่พระอาจารย์ขีด ไว้ก็ต้องถอยห่างออกไปด้วยความกลัวมันจึงได้แต่ส่งเสียงขู่ต่อไปแบบเดิมพลางเดินวนเวียนรอบกรดเหมือนพยายามที่จะหาทางเข้าให้ได้ หมาดําใหญ่ยักษ์ตัวนั้นค่ะเดินวนเวียนรอบกรดประมาณ3มรอบสิ่งที่พระพงษ์เห็นก็คือพระอาจารย์ได้เดินมาที่กรดของพระพงแล้วก็ใช้ด้ามกรดตีไปที่หมาดําตัวนั้น1ทีจนมันส่งเสียงร้องห่วยหวนแต่สิ่งที่ทําให้พระพงษ์นั้นแปลกใจมากก็คือเสียงร้องจากหมาดํากลายเป็นเสียงผู้หญิงและจู่ๆพระพงษ์ก็ต้องตกใจแบบสุดขีดค่ะเมื่อหมาดําตัวที่โดนตีเนี่ยได้หมอบนอนลงแล้วกลายร่างเป็นผู้หญิงทันที คนที่เมื่อเช้าที่มาถวายกับข้าวนั่นแหละนะคะแต่ว่าที่แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านและพระอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าต่างคนก็ต่างอยู่อาตมามาทุดงกันสองรูปเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาทำร้ายใครขอให้โยมจงกลับไปเถิดแล้วจงอย่าได้มาก่อกวนอาตมาอีกเลย สิ้นสุดคาของพระอาจารย์มาดาตัวใหญ่ที่ขณะนั้นกลายร่างเป็นผู้หญิงกำลังร้องอย่างโหยหวนอยู่ก็ค่อยๆ อ, อันตรทานหายไปต่อหน้าต่อตาของพระพง์ซึ่งได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านจงอยู่แต่ในกรดห้ามออกมาข้างนอกเด็ดขาดจนกว่าฟ้าจะสางพระพง์ก็ตอบรับด้วยความกลัวจากนั้นก็นั่งสมาธิจนสว่างนะคะ พอรุ่งเช้าพระอาจารย์ก็เดินกลับมาบอกกับพระพงษ์ว่าท่านรีบออกมาพร้อมเก็บสัมภาระเข้าของออกเดินทุดงต่อจะดีกว่าเนื่องจากเมื่อคืนน้องสาวมาอาตมาก็สั่งสอนไปแล้วคืนนี้พี่สาวคงน่าจะมาหาเราเพื่อแก้แค้นให้น้องสาวแน่นอนพระอาจารย์พูดต่อไปไม่อยากทําร้ายใครเพราะว่าปอบพวกนี้ เป็นปอบที่มีวิชาอาคมเก่งเล่นอาคมจนมีลิ้นดำของเข้าตัวเองเพราะผิดครูและจะเลี้ยงหมาดำเอาไว้ออกล่าเหยื่อเวลาหากินเมื่อใดหมาดำที่เลี้ยงไว้อิ่มคนเลี้ยงก็จะอิ่มไปด้วยเมื่อไดที่หมาดาเจ็บ คนดนวิชาอาคมทำร้ายเจ้าของคนเลี้ยงก็จะเจ็บไปด้วยพระพง์ได้ยินเรื่องราวดังกล่าวไปไม่ถึงกับอึง้งไม่นึกนะคะว่ายุคสมัยนี้ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่อีกแต่ว่าต้องเชื่อเพราะว่าเมื่อคืนได้เห็นมากับตาของตัวเองได้ยินเสียงหวยหวนด้วยหูของตัวเองเช่นกันเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเท่านี้นะคะ คุณผู้ฟังคะวันนี้จะพาไปฟังเรื่องห้าอันดับวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ผีดุที่สุดในประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากวัดที่หนึ่งเลยนั่นก็คือวัดปีตุลาที่ราช ร, รังสฤิ์จังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ ตำนานวิญญาณเฮียนนลานประหารวัดปิตุลาทิราช ร, รังสฤษเดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะนั่นก็คือการประหารชีวิตของอั้งยี่ที่วัดเมืองเมื่อปี2391ในรัชสมัยรัชกาลที่3ครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆบ้างก็รู้สึกสาสมใจบ้างก็รู้สึกสงสารแล้วก็เกิดทุกขเวทนาศพอั้งยี่แต่และศพเป็นผีหัวขาดค่ะและถูกนําไปฝังแบบไร้ญาติไม่มีใครกล้านำศ ไปทําพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดนะคะจึงจําต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายอั้งยี่นั้นทุกทรมานนักจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมเต็มไปด้วยความกลัวมีอารมณ์โกรธแค้นชิงชังยามที่วิญญาณออกจากร่าง ยังยึดติดนะคะจิตยังยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งค่ะจนนำพาไปยังทุกขติยภูมิอยู่ในโลกของวิญญาณในภพภูมิที่ทุกทรมานด้วยแรงอาฆาตพยาบาทของความแค้นที่ฝังใจก่อนความตายก็เลยทำให้วิญญาณแต่และดวงไม่สงบสุขนะคะหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะว่าเป็นวิญญาณผีตายโหงที่ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ว่าด้วยกรรมมาตัดรอนจาต้องตายวิญญาณทั้งหลายจึงสิงสถิตยอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมด วัดเมืองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่วันนั้นค่ะด้วยกิตติศักดิ์ความเฮี้ยนที่มีผู้คนเคยพบเห็นอัางยี่ประสบหลายคนนะคะประสบการณ์ของหลายๆคนเล่านะคะว่าเห็นคนจีนเลือดท่วมหัวบ้างเดินหิ้วหัวรอบวัดบ้างบางคนนะคะเป็นคนแขนขาด ขาขาดไส้ไหลเดินโซซัสโซเซผอมเหลือแต่กระดูกสภาพอดอยากหิวโหยคือไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะว่าญาติพี่น้องหรือคนรู้จักคงจะกลัวว่าถ้านำเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีจีนก็กลัวจะถูกจับอีกจนทำให้วิญญาณอดโซทรมานจึงออกอาวาสหลอกหลอนหนักขึ้นค่ะ วัดที่สองนะคะคือวัดสุวรรณารามวัดบางเกอกน้อยเรื่องเราวของวัดสุวรรณารา ม, เ, รมเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากศินทรงมีพระราชดำรัสให้นําเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิตที่วัดสุวรรณารามริมคลองบางเกากน้อยก็มีเรื่องผีผีอยู่มากเช่นกันค่ะวัดสุวรรณารามหรือว่ า, าวัด ทองนะคะเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อมาถึงสมัยกรุงทนบุรีวัดแห่งนี้เนี่ยก็ยังใช้เป็นลานประหารชีวิตเฉลยพม่าในการตัดคอซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันนะคะว่ามีคนเคยเห็นร่างของผู้ชายสูงใหญ่นุ่งผ้าจงกระเบนแต่ว่าไม่มีหัวยืนอยู่ใต้ต้นโพให้เราได้มองเห็นกันอยู่ในตอนกลางคืนส่วนสถานที่ที่นําศพเหล่านั้นมาฝังก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนสนามวัดสุวรรณารามค่ะแล้วก็วัดลานสุวราม รามในปัจจุบันนะคะอขออภัยค่ะแล้วก็ลานวัดสวรรค์รามในปัจจุบันที่เชื่อว่าบริเวณนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เคยฝังศพเนื่องจากว่าเมื่อครั้งมีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้มีคนพบกระดูกคนอยู่มากมายแล้วก็มีเรื่องเล่าน่ากลัวนะคะว่ามีคนเคยพบเห็นกระดูกท่อนขาหรือท่อนแขนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีกําไรทองคล้องอยู่แสดงว่าเจ้าของกําไรนั้นน่าจะเป็นทหารพระมา ร, ระดับ อกองนกองชั้นผู้ใหญ่พอควร คนที่ขุดเจอกำไรก็เอากำไรไปขายนําเงินมาซื้ออาหารให้ภรรยาที่กําลังตั้งท้องแต่ว่าคืนนั้นก็ฝันเห็นทหารพรม่ามาบีบคอทวงกําไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกว่าตายทั้งกลมค่ะต่อมาก็มีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณแห่งนี้นะค ะ, ะที่น่าสนใจคือหากว่าใครที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศาลก็จะเห็นภาพวาดเป็นรูปกองทหารพรมา่าไว้3มรูปแทนที่จะมะีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ มีแบบเป็นรูปปั้นอยู่ข้างในสารแบบสารพระภูมิทั่วไปคงเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณทหารพมา่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกทั้งด้านหน้าสารก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยนะคะโดยมีความเชื่อว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากๆก็จะใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไปนั่นเองนะคะอันดับที่3ค่ะคือวัดพรบปลาชายัยกรุงเทพมหานครค่ะ วัดพระพลาชัยนะคะย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายมีวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระพลาชัยตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินภายในโรงเรียนภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพระพลาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือว่าวัดโคกอีแรงนะคะเดิมทีวัดนี้เป็นที่ประหารนักโทษเหมือนกับวัดสะเกด ศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านาทางด้านหลังวัดสักเกตซึ่งบริเวณนั้นจึงเรียกว่าประตูผีค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะพอประหารเสร็จบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแร้งมากินศพที่ถูกประหารบริเวณนั้นจึงมีอีแร้งชุกชุมชาวบ้านจึงเรียกกันว่ า, าติดปากว่าวัดโคกอีแรง้งต่อมาบ้านเมืองจะเดินขึ้นค่ะมีการสร้างถนนไม่ก็ขุดถนนแถวหน้าวัดพละพลาชายัยเพื่อซ่อมแซม แต่เมื่อขุดลงไปทีไรก็เจอแต่โครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดทุกคราต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะคะตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นได้มีการซ้อมรบพระองค์ได้มาพลับพลาเสือป่าที่นั่นนะคะที่วัดโคกอีแรง้งการเวลาต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อว่าวัดพลับพลาชายัยเรื่องราวสยองขวัญวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเรื่องเล่าถานกันอยู่เนืองๆทั้งบริเวณวัดและก็ในโรงเรียนพลับพลาชัยด้วยเคยมีเด็ก นักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงยุคนี้ค่ะเรื่องราวในอดีตก็ค่อยๆเรียนหายไปพร้อมกับกิติศัพท์เรื่องราวความเฮียนก็ไม่ค่อยมีใครพบเจออีกนะคะอันดับ4คือวัดปทุมคงคาค่ะคุณผู้ฟังวัดปทุมคงคาที่เรียกว่าเป็นวัดที่ผีดุพอสมควรนะคะสถานที่เฮียนแห่งนี้ก็คือที่สุดท้ายคือวัดปทุมคงคาหรือว่าสัมพันธวงศ์ค่ะเป็นวัดโบราณ สร้างตั้งแต่สมัยอายุทยาต่อมาถูกทิ้งจนเป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงแล้วก็น่ากลัวในเวลาต่อมานะคะได้ใช้เป็นลานประหารบรรดาชาติพระวง์หลายๆพระองค์ค่ะเรื่องเล่าของวัดนี้ยังมีเรื่องของต้นอโศกผีสิง ซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกร้อยปีตั้งทำงานอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นเล่านะคะว่าวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบแล้วก็มักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกโค่นทิ้งในปี2495เรื่องราวทั้งหมดก็เงียบลงนะคะจะได้อาจาว่าเป็นความสบายใจคลายความระแวงของคนข่าวลือน่ากลัวนั้นก็ยุติลงเช่นกันนั่นเองนะคะวัดสุดท้าย วัดสะเกดค่ะคุณผู้ฟังไม่มีใครที่คงคงจะไม่เคยได้ยินหรอกมั้งฮะแรงวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ที่เขาบอกนี่คือที่ที่คุ้นเคยกันดีเมื่อย้อนกลับไปถึงรัชกาลที่1ศูนย์รวมของชุมชนบ้านเรือนของผู้คนจะอยู่ภายในกําแพงเมืองส่วนด้านนอกกําแพงจะมีการทํานาหรือเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะภายในกําแพงเมืองนี้ถือธรรมเนียมกันว่าหากมีคนตายจะต้องขนศพออกไปเผาด้านนอกกําแพงเมืองและทางออกทางเดียวที่ใช้ขนศพ นั่นก็คื อ, อประตูที่ตะวันออกของเมืองค่ะซึ่งเมื่อระบุตามตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สีแยกสำราญราชในปัจจุบันประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนครและก็เมืองใกล้เคียงในรัชสมัยที่สอง หรือว่ารัชกาลที่สองนะคะด้วยโรคหา่าหรือว่าโรคอะฮีวาตะกโรคระบาดไปทั่วเมืองทำให้มีคนตายหลายหมื่นคนศพจำนวนมากถูกลำเลียงผ่านประตูผีไปยังวัดสะเกดซึ่งอยู่ติดกรรันเรียกว่าศพมากมายกองพเนนวัดไม่สามารถเผาหรือว่าฝังได้ทันนะคะจึงต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ฝังลงไปในหลุมเดียวกันล้คราวและมาก แต่ว่าจำนวนศพที่มากเกินไปค่ะทาให้ฝูงแร้งแหกันมาจิกกินซากศพเป็นอาหารครั้นมาสมัยรัชกาลที่สามแล้วก็รัชกาลที่ห้าก็ยังเกิดโรคระบาดซ้ำขึ้นอีกวัดสระเกต์ก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันเหมือนเดิมทําให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแร้งที่มาจิกกินซากศพจนมีคำเรียกว่านะคะแร้งวัดสระเกตเกิดขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองค่ะ ปัจจุบันไม่มีประตูผีให้เห็นกันอีกแล้วอันเนื่องมาจากการตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีและก็มีการรื้อถอนประตูเมืองและกำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อไว้ให้ระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกตามประตูผีมาเป็นสำราญราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ตามค่ะแต่ชื่อประตูผียังเรียกติดปากของผู้คนจนถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นที่มาของอ่ากลายเป็นที่ของกินอร่อยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารดังอธิพัทธ์ไทยหอยทอดข้า ้มเป็ดนะคะที่ทุกค่าคืนจะมีคนมายืนรอซื้อกินกันอย่างคึกคักไม่เหลือความวังเวงให้ได้เห็นแล้วก็น่ากลัวอีกต่อไปค่ะเชื่อนะคะว่าวัดเหล่านี้บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวมาบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะวัดเหล่านี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มานานและก็มีความสวยอยู่บ้างใครมีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมชมไปกราบนะคะพระเพื่อที่จะเป็นสติมงคลแก่ตัวเองด้วยค่ะ